มองเห็นความสุขของคู่คนอื่นเพื่อหอบความทุกข์มาฝากคู่ตนนักดนตรีหลายคนได้เข้าใจและเข้าถึงดนตรีอย่างแท้จริงเพียงมีคนพูดให้ได้คิดว่ากุญแจเปิดโลกดนตรีอาจมีใครเก่งๆสักคนเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเล่นดนตรีแต่เมื่อจะลงมือเล่นดนตรีต้องไม่ใช่พยายามเล่นให้เก่งเท่าใคร ไม่ใช่พยายามเล่นให้เหมือนใครไม่ใช่พยายามเล่นให้เหนือกว่าใครแต่เป็นการตั้งใจเล่นให้ตัวเองมีความสุขเมื่อเกิดมุมมองเช่นนี้พฤติกรรมการเล่นดนตรีจะถูกต้องถึงเพิ่งเล่นวันแรกได้ขยับนิ้วบ้างได้เปล่งลมเป่าบ้างก็มีความสุขแล้วเล่นเล่นไปถึงยังเล่นไม่เพาะแต่เล่นแล้วยังมีความสุขอยู่ก็เกิดความพอใจที่จะเล่นต่อ หรือเมื่อเล่นแนวเดิมๆแล้วเบื่อก็เกิดความพอใจที่จะเปลี่ยนแนวหาความสุขจากแนวอื่นบ้างกระทั่งได้แนวทางความสุขเฉพาะตัวจากระดับฝีมือที่พยายามพัฒนาเต็มที่แล้วแต่ถ้าเอาสัญชตาตญาณแข็งได้แข็งดีมาเป็นตัวนานึกถึงคนที่เก่งกว่าอยู่ตลอดเวลาพึ่งฝึกเล่นแล้วรู้สึกว่ายังอีกไกลกว่าจะได้อย่างเขาการฝึก ก็เต็มไปด้วยความไม่พอใจในตัวเองแล้วหรือแม้ฝึกไปได้ไกลโขแต่ยังรู้สึกว่าห่างชั้นนะ ก, กับเขาที่อุตส่าห์มาได้ไกลโขก็เหมือนศูนย์เปล่าแทบจะเหมือนย่าอยู่กับที่ไม่ออกจากจุดเริ่มต้น่าความสุขไม่ได้ยิ่งเรียนแบบยิ่งเป็นทุกขู่รักก็เหมือนนักดนตรีที่เล่นคู่กันเมื่อมองคู่อื่นที่เล่นได้ดีกว่า และปล่อยมีความสุขไปกับเขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากกลับมาเล่นให้ดีขึ้นเป็นการพยายามที่ทำได้จริงด้วยสไตล์เฉพาะของคู่ตนแต่หากมองคู่อื่นที่เล่นได้ดีกว่าแล้วเกิดความทุกข์ที่ดีไม่ได้เท่าเขาก็จะเกิดความริษยาตาร้อนอยากกลับมาเข้นคอคู่ตนให้เอลดีได้อย่างคู่ของคนอื่นแถมตัวเองยังไม่พยายามเล่นให้ดีขึ้น เอาแต่ฟาดงวงฟาดงาคาดคันฟ้าดินให้ช่วยตนได้ดีเท่าเขาหรือดีล้ำเกินใครเก็บเกี่ยวความสุขเล็กๆน้อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันวันหนึ่งจะมีความสุขมากแต่ละโมกจะกอบโกยสุขใหญ่กองภูเขาเท่าใครจะทุกข์มหันตั้งแต่วันแรกสุขในชีวิตคู่ยิ่งเรียนแบบยิ่งเป็นทุกข์